ก็ขออนุญาตสวัสดีนะจะเรียกว่าญาติที่ทำทุกท่านแล้วกันเนาะเป็นญาติกันทางธรรมเหตุ <g iggle> ที่ได้มาในวันนี้เนี่ยก็เพราะว่าทราบข่าวจากพี่อุย้ยว่าที่หมู่บ้านเนี่ยมีการลําไทยเก๊กแล้วก็เห็นว่าเอาจริงเอาจังกันพอสมควรทีนี้ก็เห็นว่าถ้าเรามีอะไรที่จะเสริมหรือว่าต่อยอดจากตัวที่เรา ท, ทําไท่เก๊กกันอยู่ได้เนี่ย ก็น่าจะมีประโยชน์มากกว่าที่เราจะลํำไถ่เก๊กเฉยๆนะฮะจริงๆแล้วตรงจุดที่เราทํากันอยู่เนี่ยผมว่ามันก็ดีอยู่แล้วเีแต่ว่ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนกันในบางมุมมองนะฮะในบางประสบการณ์อาจจะได้ประโยชน์มากขึ้นนะก็คือการจเจริญสติจะเข้ามาอยู่หรือว่าจะเข้ามาร่วมกับการลํำไถยเก๊กได้ยังไงเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยก็ จริงๆแล้วจะเรียกว่ามือเก่าหรือว่ามือใหม่ก็ได้ทั้งนั้นนะเพราะว่าอายุที่เริ่มศึกษาในแง่ของการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ประมาณแค่เจปีทำมาประมาณเจปีนั้นก็เลยเห็นว่าการเจริญสติเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อชีวิตมากๆเลยนะี่ เรามองว่าการปฏิบัติธรรมแล้การเจริญสติเนี่ยเราทําได้ยากเนี่ยหรือเปลมันเป็นเรื่องของพระมันเป็นเรื่องของการที่เราต้องไปอยู่วัดมันเป็นเรื่องของการที่เราต้องหลีกเลนไปทําอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยนี่ก็เห็นว่าจริงๆแล้วการเจริญสติเนี่ยเราสามารถที่จะปฏิบัติได้ในชีวิตของเราในการคลองเรือนนี่แหละดังนั้นยิ่งเรามีกลุ่มไทยเก๊กมีการออกากําลังกายอยู่แล้วเนี่ย เรามารู้จักเทคนิคหรือว่าเรามาทําความเข้าใจกับเทคนิคของการเสริมเรื่องการเจริญสติไปสักหน่อยเนี่ยมันก็น่าจะเรียกว่าสอดคล้องกันได้ดีนะฮะคือเราใช้สิ่งที่มีอยู่แล้วเนี่ยต่อยอดยังไงจึงได้เกิดประโยชน์สูงสุดนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าไม่ว่าจะเป็นไทเก๊กหรือโยคะเนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ยพวกนี้เป็นศาสตร์ตะวันออกใช่ไหเป็นศาสตร์ตะวันออกในศาสตร์ตะวันออกเนี่ยสิ่งที่เขาเน้นมากเลยก็คือเรื่องของจิตใจ จริงๆแล้วศาสตร์ตะวันออกเนี่ยรู้ว่าไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ไหนๆก็แล้วแต่เนี่ยเป้าหมายจริงก็คือความสุขถูกไหมฮะเป้าหมายจริงก็คือความสุขแต่ศาสตร์ทางตะวันออกเนี่ยจะเน้นมากก็คือเรื่องของความสุขใจเนี่ยเน้นเรื่องของความสุขใจว่าทํำยังไงเนี่ยเราจรึงจะมีความสุขใจเกิดขึ้นได้นะงั้นจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นโยคะหรือว่าไทเก๊กเนี่ยเป้าหมายสูงสุดคืออยู่ที่จิต นะถ้าเราไปล้ำเอาแต่ความแข็งแรงเราเอาเพื่อล้ำแล้วไปเพื่อว่าปลอดโูกให้เฉยเนี่ยนะไม่ได้เน้นเรื่องของการพัฒนาจิตเนี่ยเราจะพลาดเป้าหมายหรือว่าเราจะได้ประโยชน์น้อยนะจะได้ประโยชน์น้อยนั้นพอดีเห็นพูดถึงเรื่องอาหารอยู่เนี่ยนะก็เลยคิดว่าน่าจะลงพูดเรื่องของสุขภาพโดยรวมดูเป็นแนวนําล่องก่อนแล้วผมจะพูดถึงเรื่องของการเจริญสติกับการล้ำไทเก๊กว่ามันเข้ามาเชื่อมกันได้ยังไง ในทัศนาของพุทธศาสนาเนี่ยความเป็นไปของความแข็งแรงของร่างกายเราเนี่ยนะฮะเขาบอกว่ามันมีปัจจัยอยู่สี่อย่างนะฮะมีปัจจัยอยู่4ี่อย่างที่ส่งผลจะทําให้สุขภาพร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงเนี่ยนะฮะอันที่หนึ่งเลยก็คือ <c oughs> เขาบอกว่ากรรมนะฮะกรรมกฎแห่งกรรมเคยยินใช่ไหมมีใครเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมบ้างเข้าใจว่าเ <c oughs> ชื่อนะ <c oughs> นั่นแหละนะเรื่องกฎแห่งกรรมนะ กรรมเนี่ยแปลตรงไปตรงมาคือแปลว่าการกระทําใช่ไหมฮะนี้การกระทำเนี่ยเมื่อมีการกระทําเกิดขึ้นก็ต้องมีการเกิดผลของการกระทําเขาเรียกวิบากนะฮะผลของการกระทำนี่เรียกวิบากนั้นกรรมเนี่ยมันก็มีกรรมแบ่งง่ายๆก็คือกรรมในอดีตนะซึ่งกรรมในอดีตที่เราทํามาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าหากเราเป็นผู้ที่ต้องการความแข็งแรงของร่างกายเนี่ยคนคนนั้นเนี่ยต้องเป็นคนที่ไม่ผิดศีล นะโดยเฉพาะศีนข้อนหนึ่งคนที่เป็นโรคเป็นภัยนะครับขี่โรคนะมีความเจ็บไข้ได้ป่วยบ่อยป่วยมากอายุสั้นเนี่ยพวกนี้เป็นจากการส่งผลของกรรมในอดีต ท, ที่เคยผิดศีนข้อนหนึ่งไว้มากคือการเบียดเบียนสัตว์ฆ่าสักนึกออกไหมฮะอันนี้เขาเรียกเป็นกรรมในอดีต ท, ที่มันส่งผลมาถึงปัจจุบันนะฮะนั้นกรรมในแง่ของกรรมในอดีตเนี่ยมันสิ่งที่มันหลีกเลี่ยงไม่ได้คือเราลงมือทําไปแล้วมันเปลี่ยนไม่ได้นะมัน หน้าที่ของเราที่จะเกี่ยวข้องกับกรรมในอดีตร่อบผลที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันก็คือต้องยอมรับนะปฏิเสธไม่ได้นะไปต่อรองก็ไม่ได้ด้วยนะฮะมันสิ่งอะไรที่มันจะเกิดขึ้นกับเรานะที่ความเป็นไปของรูปกายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันสูงไขมันในเลือดสูงหรือแม้แต่มาลงมาเร็งอะไรต่างๆว่าความพิกลพิการที่มันเคยขึ้นเนี่ยพวกเนี้ยเราต้องทําใจไว้ก่อนเลยเ<ม>ชื่อไม่เชื่อไม่รู้แหละแต่ต้องยอมรับถ้าคุณไม่ยอมรับเมื่อไหร่เนี่ยนะมันทุกข์มากนะฮะ ยิ่งเราไม่ยอมรับยิ่งเราปฏิเสธไปครวนคลางนะเรียกครวนคลางอยู่ในใจว่าทําไมมันต้องเกิดขึ้นกันกบเราเนี่ยนะใช่ไหมอันเนี้ยทุกมากนะทุกกายก็ยังมีอยู่แล้วกลับมาทุกใจหนักขึ้นอีกหน้าที่ของเราเนี่ของการเกี่ยวข้องกับกรรมในอดีตก็คือหนึ่งต้องยอมรับนะฮะยอมรับกับมันแต่กรรมเนี่ยมันมีอันนึงที่น่าสนใจก็คือกรรมในปัจจุบันนี่กรรมในจัปัจจุบันเนี่ยเราจะนับเมื่อไหร่ไว้เป็นกรรมปัจจุบันถ้าเรานับคร่าวๆก็เอาชาตินี้ก็ได้นะหรือว่าเมื่อวานนี้ก็ด นะแล้วแต่ก็คือกรรมปัจจุบันที่เราหรือแม้แต่ในขณะนี้ก็ยังได้นะฮะเป็นกรรมปัจจุบันไอ้ตัวกรรมในอดีตเนี่ยกลับเพศไม่ได้แต่กรรมปัจจุบันเนี่ยเราทําได้อย่างที่เราคุยเรื่องอาหารไมโครไบติกเนี่ยนะนี่คือเริ่มการทํากรรมใหม่นะเรื่องการทํากรรมใหม่หรือแม้แต่เรื่องของการออกกําลังกายเต้นแอโรบิกหรือว่าลําไทเก็คฝึกโยคะอะไรต่างๆพวกนี้คือกรรมใหม่ที่เราทําขึ้นมามีผลต่อร่างกายของเราว่ามันจะแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงนะะ นั้นทุกอย่างเนี่ยมันตกอยู่ภายใต้อาํานาจของกรรมก็คือการกระทำํำนั้นถ้าทํากรรมดีทํากรรมถูกมันก็ส่งผลดีส่งผลถูกนะรับกรรมในอดีตส่งผลว่เป็นปัจจุบันในขณะเดียวกันปัจจุบันก็เป็นเหตุที่จะเกิดผลในอนาคตสืบเนื่องกันไปเป็นวงจรนะอันนี้อธิบายคร่าวๆครนะอันที่สองก็คือเขาบอกว่านอกจากกรรมแล้วเนี่ยสิ่งที่มีอิทธิผลต่อรูปกายอันนึ่งก็คือจิตนะคระศาไทยพูดไว้ชัดเจนมากเลยคือจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวใช่ไหม จิตเป็นนายนกายเป็นเบาแต่ทุกวันนี้เนี่ยสังคมของเราเนี่ยเราเน้นแต่เรื่องของกายนึกออกไฮะนเน้นแต่เรื่องของกายอย่างปัจจัย4ี่ที่เราทุ่มเทกันทําทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งปัจจัยสี่เป็นอย่างน้อยเนี่ยก็คือเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยมีความสุขสบายแล้วเราเข้าใจว่าถ้าร่างกายเราสุขสบายแล้วเนี่ยใจเราก็จะสบายไปด้วยนึกออกไหมเราคิดอย่างนั้นเราก็เลยทุ่มเทไปกับการ หาความสะดวกสบายหรือหาปัจจัยมาให้ร่างกายแต่ในขณะที่เราทุ่มเทที่จะทําอย่างนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยใจเรากลับเศร้าหมองแทนใจเรากลับมีความทุกข์แทนซึ่งมันผิดประทุประสงค์นะภาษามันก็บอกไว้แล้วว่าจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวใช่ไหมนั้นสิ่งที่เราต้องเทคแคร์จริงๆหรือว่าสิ่งที่เราต้องดูแลมันจริงๆเนี่ยก็คือดูแลใจเรานะดูแลใจเรายัางไง ให้มันไม่เศร้าหมองหรือถ้ามันจะเศร้าหมองนะมันมีความทุกข์เกิดขึ้นเรามีวิธีการอะไรที่จะเขี่ดีดความทุกข์ออกไปจากใจเราไม่ได้นะมีความยินร้ายเกิดขึ้นนะทำยังไงถึงจะละความยินร้ายนั้นออกไปละความโกรธอิจฉาริสยาพยาบาทพวกนั้นออกไปจากใจิตใจเราได้นั้นถ้าเราสามารถทําได้นะในขณะที่เรามีใจิตใจที่มันดีงามมีความสงบมีความเบิกบานผ่องใสนี่นะร่างกายจะหลังห่งฮอร์โมนตัวดีๆออกมา นะแต่ตรงกันข้ามถ้าเราเป็นคนขี้งูดงิดขี้มโมโหนะขี้บนอะไรต่างๆเนี้ยนะฟุ้งซ่านอะไรเบื่อหน่ายท้อแท้อะไรอย่า ง, นะงาเาา ง, งี้ยในขณะที่เรามีอาการอย่างนั้นเกิดขึ้นเนี่ยร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนตัวร้ายๆออกมาผลก็คือมันก็ถล่มเราอะนะใจเสียแล้วนะกายก็เสียตามไปด้วยนะฮะอันนี้มันเป็นวงจรของมันอย่างนั้นฮนะฮอร์โมนที่ออกมากระตุ้นไขกระดูกนะไขกระดูกผลิตเม็ดเลือด เม็ดเลือดก็พิกนพิการง่อยเพี้ยเสียขานะคอร์รัปชันอะไรอย่างเงี้ยนะไปเจอไวรัสหน่อยนะติปไปสิ บ, บาทนะไวรัสติปไปสิ บ, บาทไม่ยอมค่าไวรัสแล้วนะไปเจอเซลล์แปลกๆแทนที่จะทำลายนะมันก็ไม่ทําลายนะปล่อยให้เซลล์แปลกๆพวกนั้นเพ่นพ่านต่อไปนั่นเรื่องของจิตเนี่ยเรื่องเรื่องของความเครียดเนี่ยเป็นเบื้องหลังที่สําคัญมากๆเลยของโลคในปัจจุบันนี้โรคตระกูลเสื่อมต่างๆทั้งหลายเนี่ยนะปิดไป้ายไว้ได้เลยว่าความเครียดเป็นเบื้องหลังของทุกๆโรคนะมัน ถ้าใครที่มีความเจ็บป่วยทางกายหรือไม่ต้องการที่จะมีความเจ็บป่วยทางกายส่วนสําคัญมากก็คือต้องทําจิตของเราเนี่ยให้ดนะีจิตที่มันดีได้เนี่ยมันจะดีได้จากอะไรนะจิตที่มันดีได้เนี่ยต้องเป็นจิตที่มีกําลัง ร, ร, รื่องไหจิตที่มีความสงบเป็นจิตที่มีความสุขมีความเบิกบานผ่องใสเนี่ยเป็นจิตที่มีกัปกุศลนะไม่ใช่อากุศลนั้นถ้าเราหวังว่าจะมีจิตที่ดีงามเนี่ยเขบอกว่าเราต้องควรจะทําอะไรจิตใจเราจึงจะเป็นจิตที่มันดีงาม เขาบอกว่าให้เบยจากฐานให้ทําฐานนะทำทานนะ ท, ทานําบุญให้ทานนะอันที่สองก็คือรักษาศีลเพราะเวลาเรารักษาศีลเมื่เรามีศีลปุ๊บเราไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรนึกออกไหมฮะเราไม่ต้องระแวงว่าไอ้ใครจะมาคอยจับเรานะเราจะไปโกงใครไว้เซ็นเช็คเด้งไว้แล้วใครจะมีใครตามนะหรือว่าไปเป็นชู้กับเมียใครไว้หรือว่าไปอะไรก็ไว้เราจะถูกจับได้นะไอ้ความรู้สึกลึกๆอย่างนี้มันจะตามลาวีคนคนนั้นตลอดไปคนอื่นไม่รู้แต่เรารู้ เลือกไหฮะเราโกหกใครไว้เดี๋ยวเราล้วนเขาจะจับได้อย่างเงี้ยนะฮะสถานการณที่เราให้ทานและสาศีไว้เนี่ยเริ่มเป็นเบื้องต้นแล้วที่ทําให้จิตเราดีนะต่อไปก็คือการนั่งสมาธิการภาวนานี่ก็จะเป็นการพัฒนาจิตให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปมันก็ส่งผลต่อสุขภาพกายโดยตรงน ะ, ะดีกายดีเจ้านายดีลูกน้องก็ดีน ะ, ะนอกจากกรรมจิตอันที่สามก็คืออุตตุนะอย่างอากาศสอาวันเนี่ยร้อนไหม เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนตกใช่ไหมอาการที่มันแปรปรวนอย่างเงี้ยมันส่งผลทําให้มีความเจ็บไข้ได้ป่วยได้ใช่ไหมอย่างนี้เหมือนกันนอกจากนั้นสิ่งแวดล้อมเราไปสร้างหมู่บ้านอยู่ในดงโรงงานอย่างเงี้ยใช่ไหมอย่างสระ บ, บุรีที่เขาระเบิดหินกันอย่างเงี้ยนะฝุ่นเะต้ไปหมดเลยอย่างเงี้ยความสุขภาพดีมันคงจะคาดหวังได้ยากอะ่ะใช่ไหมฮอย่างเงี้เป็นต้นนอกจากนั้นแล้วเนี่ยตัวที่มีผลมากในแง่ของอุตุเนี่ยนะมันมีความหมายที่มันลึกซึ้ง นะก็คือในแง่ของพลังงานนะความเย็นความร้อนนี่ก็เป็นพลังงานใช่ไหมการที่ลมมันพัดไปพัดมาเนี่ยก็เป็นพลังงานางใช่ไหมหรือว่าเสียงที่มันมากระทบเนี่ยนะเสียงดังๆต่างๆพวกนี้นี่ก็เป็นพลังงานนะแต่มันมีพลังงานอีกชนิดหนึ่งนะที่มันมีผลต่อสุขภาพกายของเราโดยตรงเลยนะก็คือพลังใจงหรือพลังจิตนะเขาบอกว่าโลคที่มันร้อนขึ้นมาเนี่ยนะ ส่วนหนึ่งเป็นเเพราะว่าภูมิอากาศเนี่ยมันเปลี่ยนไปแต่ส่วนหนึ่งของการที่โลกมันร้อนเนี่ยมันมาจากอะไรรู้ไหมมันมาจากคนใจร้อนนะมันมาจากคนใจร้อนนะก็คือจิตนั่นแหละพอจิตมันร้อนมันก็ส่งกระแสร้อนๆนั่นออกมานะเราโกรธใครสักคนหนึ่งเราก็ส่งกระแสจิตไล่ๆออกไปนะก็มีงานวิจัยอันนึงนะที่น่าสนใจมากเป็นของหมอชาวญี่ปุ่นนะเขาไปซื้อน้ํากลั่นนะ จากห้างสรรพสินค้าจากขวดเดียวกันนะฮะแล้วแบ่งใส่ขวดสองขวดแล้วไปตั้งไว้ที่ในห้างเดียวกันนั่นแหละแต่คนละมุมแล้วก็เขียนติดไว้นะเขียนขวดหนึ่งไว้ว่าคุณน่ารักนะเขียนแปะไว้ไกลขวดหนึ่งเขียนว่าคุณมันโง่นะคุณมันโง่แล้วก็แปะไว้ระยะเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งเสร็จปุ๊บเขาก็เอาขวดสองขวดเนี่ยไปตกผลึกนะไปตกผลึกแล้วก็ส่องกล้องดูนะ เขาพบว่าไอ้ขวดที่เขาเขียนว่าคุณน่ารักเนี่ยนะน้ำที่ตกผลึกเนี่ยเป็นผลึกหกเหลี่ยมสวยงามมากเลยนะแต่ในขณะเดียวกันไอ้ขวดที่เขียนไว้ว่าคุณมันโง่เนี่ยนะไม่ตกผลึกอะไรเลยนะเป็นผลึกกระท่อนกระแท่นแบบดูแล้วไม่สวยงามมันบอกอะไรเราในขณะที่เขาเขียนไว้ข้างขวดว่าคุณน่ารักเนี่ยเวลาคนอ่านเนี่ยเป็นยังไงใจดีไหมใจดี ในขณะที่เราส่งจิตไปหาขวดอนั้นเนี่ยเราส่งจิตดีๆเข้าไปถูกไหมอ่าเราส่งจิตดีๆเข้าไปแต่ในขณะเดียวกันที่มันเป็นขวดที่ว่าคุณมันโง่เนี่ยเวลาอ่านเนี่ยน้อยที่สุดก็คือรู้สึกเฉยๆเนอะไหมแต่คนสั่วไปเนี่ยมันเฉยไม่เป็นหรอกมันต้องหงุดหงิดนะหรือว่ามันรู้สึกมีความไม่พอใจขึ้นจิตที่ไม่พอใจเนี่ยส่งกระแสไปหาขวดน้ํำอนั้นเนี่ยเห็นไหมเกิดอะไรขึ้นย้อนกลับมาสู่ตัวเราก็คือว่าถ้าเราปล่อยให้กระแสจิตของเราหรือว่าปล่อยให้ใจของเราเนี่ยเศราเ้าหมองอยู่ ตลอดเวลารูบบ้บ่อยๆคลื่นที่มันออกมาเนี่ยใครเป็นคนรับเป็นคนแรกตัวเองใช่ไหมในขณะที่เราพยาบาทคนอื่นคิดร้ายต่อคนอื่นอิจฉาริทธยาคนอื่นงุนงิดลำคาญเนี่ยนะเราอะไรรับเต็มๆ เ, เลยกระแสะอันตรายเนี่นั่นคนที่เป็นโรคเครียดเนี่ยทำไมถึงป่วยง่ายสุขภาพยังโทมง่ายเสื่อมง่ายเห็นไหมมันมาจากจิตแต่มันก็มีผลต่อกายนี่อธิบายด้วยระบบพลังงานก็คือเป็นอุตุส่วนหนึ่งนะอย่างในหมู่บ้านเนี่ยนะเราแต่ลดอุณหภูม ในหมู่บ้านเราลงใช่ไหมเนี่ยเรามาลำไท้เก๊กมาฟังธรรมะหรือว่าม า, าฝึกจิตฝึกใจเราเนี่ยลดความดุรแรงลดกระแสของความล้อนในใจเราลงเนี่ยได้เนี่ยหมู่บ้านเราจะเย็นขึ้นโดยอตัตโนมัติใช่ไห ม, ไหมความเอื้อเฟือฟ้อเผื่อแผ่มันเกิดขึ้นมานอย่างวันนี้เป็นต้นเนี่ยนะเะฉะนั้นตรงจุดนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญว่าสิ่งที่เราทําขึ้นมาเนี่ยมันมีผลสืบเนื่องต่อตัวเราเองเป็นเบื้องต้นและมีผลกระทบต่อคนอื่นนะอันนี้คือในแง่ของอุตตุ นะครับอันที่สามันสําคัญมากอันสุดท้ายก็คืออาหารนะกรรมจิตอุตุแล้วก็อาหารนะอย่างที่เราว่าไว้นะนักโราชนาบําบัดเขาบอกว่าคนเราเนี่ยนะขุดหลุมฝังศพด้วยตากตัวเองนะหรืออีกอันนึงเขาบอกว่าคนเราเป็นอย่างที่เราทานนะเราชอบทานหวานนะเดี๋ยวเราจะตายด้วยโรคเบาหวานนั่นแหละนะเรากินเนื้อสัตว์มากเดี๋ยวเราก็จะตายโรคที่มันเนื่องด้วยกับการกินเนื้อสัตว์นั่นแหละ นะั่นคนเราเนี่ยเป็นอย่างที่เราคานนะหรือว่าขดลุมฟังศพด้วยปากเราเองจริงหรือเปล่าก็เราไปคิดกันดูนะทีนี้ทั้งสี่อย่างเนี่ยก็คือสิ่งที่มีอิทธิพลต่อลูกกายหรือว่าความเป็นไปของรูปกายแต่จริงๆแล้วเนี่ยตามความเป็นจริงของชีวิตของของร่างกายเนี่ยธรรมชาติของมันเนี่ยนะของร่างกายเนี่ยนะมันเป็นสิ่งที่มันพัฒนาถึงจุดขีดสุดแล้วเนี่ยมันไปต่อไม่ได้นือออกไหมฮะ มันพัฒนาได้แค่ระดับเดียวนะก็คือว่าช่วงหนึ่งของชีวิตเราเนี่ยตั้งแต่เด็กขึ้นมาจนถึงประมาณสักอายุสามสิบห้าสิบปีเนี่ยจะเป็นช่วงที่ดูว่าร่างกายของเราเนี่ยพัฒนามากที่สุดได้หรือไม่เพราะว่ามันมีการสร้างมากกว่าการเสื่อมแล้วมีการซ่อมที่ดีนะนี่คือความเป็นจริงของร่างกายเรานะแข็งแรงที่สุดที่จะคงอยู่ได้ก็ประมาณสักสามสิห้าปีสี่ิบปีสี่ิบห้าปีเนี่ยท็อปสุดละช่วงเนี้ย ส่วนใหญ่นะแต่บางคนป่วยตั้งแต่อายุสามสิบห้าสี่สิบแล้วก็มีนะช่วงเนี้ยช่วงกลางๆงเนี่ยพวกเนี้ยเรารู้สึกว่าร่างกายเราแข็งแรงที่สุดนะตอนนี้เนี่ยเกิดมีการเสื่อมพอๆกับการสร้างการซ่อมก็ยังพอใช้ได้อยู่นะแต่ถ้าเกินสี่สิบสี่สิบห้าไปแล้วเนี่ยนะมีแต่เดินลงเขาแล้วนะนะฮะสุขภาพร่างกายเราเนี่ยนะเนี้ยนะมีแต่เดินลงเขาแล้วเพราะว่ามันมีการเสื่อมมากกว่าการสร้าง และการซ่อมก็ลดประสิทธิภาพลงนี่คือความเป็นจริงที่เราต้องเข้าใจแล้วก็ต้องยอมรับว่าธรรมชาติมันเป็นอย่างนี้นะนี่คือการเดินลงเขาที่ผมใช้คำนี้เนี่ยเพราะว่า ม, มันจะมีคำที่มากกว่าการเดินลงเขาหรืออปล่าผมเปรียบเทียบ ว, ว่าการเสื่อมที่เป็นปกติอย่างนี้ไปเรื่อยๆ เ, เนี่ยก็คือการเดินลงเขานั่นหมายความว่าถ้าเราไม่ได้เจป่วยอะไรเลยเนี่ยเราก็เสื่อมไปอยู่แล้วเดินลงเขาเดินไปไหน นะเดินหาหลุมใช่ไหมใครทําหวงซุ้ยไว้ก็ไปหลุมนะใครทําเมนไว้ก็เดี๋ยวไปเมนนะนะแล้วแต่เลือกเอาตามความพอใจใช่ไหมทุกคนต้องไปตุนจุดนั้นเป็นที่สุดแต่จุดหนึ่งที่มันสําคัญมากก็คือว่าจุดที่เรียกว่าทํำยังไงเราจึงจะไม่วิ่งลงเขาตรงนี้สําคัญนะทุกคนต้องเดินลงเขาแต่ทําอย่างไรเราจึงจะไม่วิ่งลงเขาก็คือว่า โรคบางอย่างพฤติกรรมบางอย่างเนี่ยเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะไม่ให้สุขภาพของเราเนี่ยเลวลงก่อนวัยอันควรมีคุณภาพกายที่ดีในวัยอันควรูนอะอไหมไม่ใช่ว่าหกสิบปีเนี่ยกระปกกระเปียป้อแป้แล้วนะขึ้นเขาลงห้วยก็ไม่ไหวอย่างเงี้ยนะหมดท่าแล้วอย่างเงี้ยนะผมอยู่สิงค์บุรีเนี่ยผมทำหน้าที่ในการตรวจสุขภาพเยนะข้าราชการเป็นส่วนใหญ่เนี่ยผมบอกได้เลยว่า อนาคตของประเทศชาติเนี่ยจะร่มสลายจากคนพวกนี้เพราะว่าขี้โรคมากโรคเยอะมากอายุประมาณสามสิบหปีเนี่ยเจาะไขมันขึ้นเกือบเ่าเรียกว่าเจ็ดิเปอร์็นเนี่ยหกสิเจ็สิบปอร์เซ็นนี่ยนะเวลาเขาตรวจสุขภาพเนี่ยเขาจะมีเครื่องหมายถ้าปกติก็ขีดถูกนะถ้าผิดปกติก็ขีดดาวน้อยมากเลยที่จะมีขีดถูกทั้งหมดนกอกไใน1้อยคนเนี่ยผมว่ามีไม่ถึงยี่สิบคนอะ ที่เหลือนอกนั้นก็คือจะมีหนึ่งดาวบ้างสองดาวบ้างแล้วพวกที่มีดาวเยอะๆเนี่ ย, น, ยนะก็คือพวกอะไรสูบบุหรี่ก็ดื่มเหล้าพวกนี้จะห้าหกดาวเป็นอย่างน้อยนะเนี่ยก็คือลักษณะของพฤติกรรมความเป็นอยู่ที่เบียดเบียนตัวเองนะทำให้เกิดโรคภัยที่สามารถหลีกเลี่ยงได้เช่นเรื่องของเบาหวานโรคความดันสูงหรือไขมันในเลือดสูงอะไรต่างๆพวกนี้นะรือว่าแม้แต่มะเร็ง นะถ้าเรามีพฤติกรรมที่มันถูกต้องที่มันนั่นเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะลดความเสี่ยงพวกนี้ได้แต่ไม่ได้หมายว่ามไม่เป็นนะไม่ได้หมายว่าไม่เป็นแต่ลดความเสี่ยงลงเท่าที่เราสามารถทําได้เพราะเหตุปัจจัยมันเยอะอย่างที่บอกอย่างน้อยสี่เหตุปัจจัยแล้วที่จะทําให้เกิดความเป็นไปของร่างกายเรานะนั้นในแง่ของการดําเนินชีวิตเนี่ยเราจึงต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ให้ถูกต้องเพราะว่าเราหมัวแต่หาความสุขกับร่างกายของเรา นะเราไปมัวถนอมร่างกายเราเราไปครัวประคับประคองธนูถนอมมันหรือว่ายิ่งถ้ายิ่งกว่าธนูถนอมก็มคือไปปลนเปลอมันเนี่ยนะเป็นถือว่าเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์นื้อออกไหมฮะเพราะร่างกายเราถึงจุดจุดหนึ่งมันสลัดเราทิ้งมันจะสลัดเราทิ้งหรือมันมั น, มนเราถูกสลัดทิ้งก็ไม่รู้นะนื้อออกไหมฮะนั้นต่อให้เรากินทองคาเป็นอาหารนะกินอาหารแมคโครไบติกกินอาหารกินเน็ตหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะ ท้ายสุดแล้วก็ต้องสู่ความเสื่อมความเจ็บไข้ได้ป่วยแลว้วก็ความตายแต่ไม่ได้หมายความว่าไม่ให้เลือกกินนะเราต้องรู้จักเลือกกินทําเหตุปัจจัยให้ถูกต้องเต็มที่แล้วเสร็จปุ๊บเราหยุดอยู่แค่นั้นแหละเรื่องของร่างกายเนี่ยเพราะว่าร่างกายมันพัฒนาแล้วมันก็ลงอย่างนี้แต่คนเราเนี่ยมันมีอันหนึ่งที่มันสามารถพัฒนาได้นั่นก็คือใจใช่ไหมถ้าเราเกิดมากายกับใจนะไปด้วยกันแล้วเราไม่พัฒนาไม่พัฒนาจิตเรานะไปด้วยกันได้ไหม กายกระจายตกไปด้วยกันพอแก่เสร็จปุ๊บอายุมากขึ้นเสร็จปุ๊บมันจะมีคําพูดอย่างนี้ก็คือแก่แล้วไม่มีอะไรดีสักอย่างเคยได้ยินไหมนะระวังนะอย่าให้หลุดคํานี้ออกมาจากปากนะออย่าให้หลุดคํานี้ออกมาจากปากที่ที่ผมพูดคํานี้เพราะว่าผมทําหน้าที่ในการตรวจคนไข้เนี่ยนะคนไข้ที่อายุมากๆมาเนี่ยนะที่เรียกว่าชํานาญโรงพยาบาลเนี่ยนะเขาจะมาถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะมาสั่งยา นะสั่งยาหมอยาแก้ปวดหัวหมอยากินข้าวได้หมอยาบำรุงหมอยานอนหลับอ <Yeah. S 1> ย่ามองด้วยนะหมอ <c oughs> นะถ้าเป็นหมอเก่าๆนะเขาจะรู้ทันเขาจะเฉยๆแล้วก็สั่งยาให้ตามแกพี่แกสั่งนะแต่ถ้าเป็นหมอใหม่นะไม่ได้นะเ <c oughs> ถียงกันตายเลย <c oughs> นะแต่ถ้าเป็นหมอเก่าเนี่ยนะ <c oughs> เขาจะรู้ว่าคนไข้พวกนี้ยเถียงไม่ได้นะมีหน้าที่อย่างเดียวครับนะแล้วก็สั่งยาให้นะพอสั่งยาเสร็จปุ๊บ ให้แกได้ขนาดที่หมอเขียนสัญญากแกสั่งเสร็จแล้วเนี่ยแกจะนั่งถอนหายใจนะแล้วก็พูดไปคำนี้ออกมาเนี่ยก็คือหมอเอ้ยเนี่ยแก่แล้วไม่มีอะไรดีสักอย่างนะ <c oughs> อ่า <c oughs> นั่นแหละ <c oughs> คำคำนี้หลุดออกมาเนี่ยหลุดออกมาเพราะอะไร <c oughs> นึกออกไหม <c oughs> คำคำนี้หลุดออกมาเพราะว่า <c oughs> เราไม่สามารถที่จะหาความสุขได้จากการแก่ใช่ไหม ถ้าคนแก่แล้วมีความสุขเนี่ยคํานี้ไม่หลุดออกมาหรอกโอ้ยิ่งแก่ยิ่งมีความสุขว้ยเนี่ยนะใช่ไหมมันไม่หลุดออกมาหรอกใช่ไหมคำที่ว่าแก่แล้วไม่มีอะไรดีสักอย่างนะนะแก่ไม่มีอะไรดีสักอย่างเพราะว่ามันหาความดีในความแก่ไม่ได้หาความสุขในความแก่ไม่ได้นะบางคนเนี่ยนะหมอก็จะพูดแซวคืนไปนะแต่ต้องดูคนด้วยนะอย่างคุณป้าเนี่ยนะนดูท่าทางเป็นมิตรเนี่ยนะแซวคืนได้นะแซวคืนได้หมอก็จะบอกว่าเอา้าก็ดีแล้วไงย้ายที่ได้แก่ ใช่ไหมปานนี้แล้วก็ดีแล้วใช่ไหมถ้าจะอยู่ทุกวันเนี้ยอยู่เพื่อแก่ไม่ใช่เหรอถ้าไม่อยู่เพื่อแก่ก็เรีบตายแล้วดิใช่ไหมทําไมไม่รีบตายล่ะเอาไม่อยากตายเอาไม่อยากตายมันไม่ตายมันก็ต้องแก่เอาแก่ก็ทุกข์อีกแล้วเห็นไหมมันเป็นวัฏจักรที่มันหาทางออกไม่ได้นะไม่อยากตายแต่ก็ไม่อยากแก่มันเป็นไปได้ไงใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยเราทํายังไงจึงจะแก่ด้วยมีความสุขด้วย ใช่ไหมหาความดีในความแก่ให้ได้ถ้าเราไม่ฝึกจิตไว้นะเราไม่มีทางเลยที่จะได้แก่อย่างมีความสุขได้ออกไหมถ้าเราแขวนความสุขไว้กับการที่ได้เห็นของสวยๆงามๆใช่ไหมได้กินของอร่อยๆได้ฟังเสียงเพาะเพ้ได้สัมผัสที่มันอ่อนนุ่มเย็น อ, อกเย็นใจหรือว่าคําเสียงที่คำพูดเพ้อเพหรื อ, อไปเที่ยวท่องเที่ยวที่ไหนก็ตามเนี่ยถ้าเราแขวนความสุขไว้กับกับสภาวะพวกนี้เนี่ย แสดงว่าเรากําลังเดินอยู่เป็นเส้นได้ <c oughs> <c oughs> เพราะว่าเวลาแก่แล้วเนี่ยมันมีอะไรดีไหมร่างกายเราเนี่ยใช่ไหมหูที่มันเคยได้ยินดีๆมันก็ไม่ค่อยได้ยินแล้วฟังเพลงแจ๊สเมื่อก่อนเพลงสุรพลสมบัติเจริญอะไรอย่างเงี้ยนะมันเคยเพราะมันก็ไม่พรอแล้วใช่ไหมเพราะหูมันไม่ค่อยได้ยินใช่ไหมมองเห็นชัดๆ ต, ตอนนี้มันก็เริ่มมัวๆแล้วยาวบั่งสั้นมั่งแล้วใช่ไหม กินอาหารเนี่ยเวลาอายุมากมากหกสิบเจ็ดสิบปีไปเนี่ยตอมรับรสเนี่ยมันมีประสิทธิภาพแถวอย่างเก่าเนี่มีไหมอาจจะมีนะแต่น้อยใช่ไหมใช่ใช่ไหมไห ม, มันจะกินได้น้อยลงบางคนแขวนความสุขไว้าอาการนอนนะถ้านอนต่ำกว่าแปดชั่วโมงแล้วโอ้โหไม่ได้เรื่องเลยวันนั้นเห็นไหมแล้วเวลาแก่ไปแล้วมีใครนอนหลับดีๆบั้งมันมีนะคนที่มีความสุขที่สามารถที่จะหลับได้ง่ายเนี่ยมีแต่คนส่วนใหญ่ที่เป็นอายุมากขึ้นเนี่ยจะนอนไม่ค่อยหลับ พอนอนไม่ค่อยหลับเสร็จปุ๊บก็เครียดกับการนอนไม่หลับแต่เบื้องต้นก่อนหน้านั้นก็คือมันฟุ้งมันฟุ้งก็เลยนอนไม่หลับนอนไม่หลับก็บเลยไปฟุ้งกับการนอนไม่หลับอีกเห็นไหมหลายชั้นมากพอตอนเช้ามานี่นเป็นไงเวียนหัวมึนงงเบลอๆแพร่ๆกินข้าวกินปลาไม่ค่อยลงไป ไ, ไปเรื่อยเลยไหมใช่ไหมไปเรื่อยเลยเป็นวงจรอุบาท <c oughs> นะ แต่ตรงกันข้ามถ้าเราสามารถที่จะฝึกจิตฝึกใจไว้ไม่ได้ห้ามว่าตอนนี้นะกินอาหารอร่อยอร่อยได้แต่เราต้องรีบพัฒนาจิตของเราให้สามารถที่จะทํำยังไงให้หาความสุขได้ด้วยตัวมันเองความสุขใจเนี่ยนะไม่ได้ต้องการสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างอื่นความสุขใจไม่ต้องต้องการอาหารความสุขใจเกิดขึ้นเพียงแต่ว่าทํายังไงให้ใจเราสงบเนี่ยตรงเนี้ยสาคัญมากความสุขใจเกิดขึ้นเนี่ยจากความสงบใจหรือจากใจที่สงบ นะเมื่อก่อนสมัยผมเป็นนักเรียนแพทย์เนี่ยผมกลับไปบ้านบ้านผมอยู่สุขโขทยัยนะบ้านนอกเนี่ยนะพอไปถึงบ้านเสร็จปุ๊บในเวลากลับมาจะไปเรียนต่อเนี่ยคนแก่คนเท่าคนแก่ก็จะมาลูบหน้าลูบหลังนะไอ้หนออูอยู่เย็นเป็นสุขนะลูก <Okay. S 1> ใช่ไหมอยู่เย็นเป็นสุขนะลูกมันมีความหมายอยู่ในนั้นนะการอยู่เย็นนั่นแหละจึงเป็นสุขไม่ใช่ห้องแอร์เย็นๆนะ <laughs> ใช่ไหมเย็นในที่นี้ก็คืออะไรเย็นใจ ถูกไหมเย็นใจไม่ใช่เย็นกายเย็นกายก็เป็นส่วนหนึ่งละไม่ได้ปฏิเสธแต่ว่าความสุขที่แท้จริงเนี่ยต้องเกิดมาจากความเย็นใจนะอยู่เย็นเป็นสุขเห็นมไหมนั้นทํายังไงใจเราถึงจะเย็นเห็นไหใจที่เย็นก็คือใจที่มันสงบใจที่มันมีสมาธิถูกไหมใจฟุ้งซ่านมันเย็นไหมไม่เย็นใจที่มันมีความอยากมากๆมันเย็นได้ไหมไม่ได้ ใช่ไหมใจที่มันมีความอาฆาตพยาบาทมันเย็นได้ไหมไม่ได้ความที่ใจที่มัมีอิจฉารลืยามีความเย็นได้ไหมไม่ได้เห็นไหมดังั้นใจที่มันเยนเนี่ยต้องเป็นใจที่มันอ่อนโยนใจที่มันผ่องใสจิตแบบนี้มันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่เมื่อว่าเราเคยทําสิ่งที่มันเป็นเหตุมาก่อนเช่นเราเป็นคนโอบอ้อมอารีมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะทําบุญสุนทานให้ใช่ไหมให้รักษาศีลไว เพราะเรามีความมีศีลเสร็จปุกเนี่ยเรามีความมั่นใจในการดําเนินชีวิตเราไม่เคยเบียดเบียนฆ่าใครถ้ามันจะเกิดขึ้นมาแสดงว่าโอ้เนี่มันเป็นกรรมเก่าของเราดีแล้วนะเรายอมรับมันเราจะไม่ทํากรรมอย่างนี้อีกอย่างเงี้ยเราโดยเขาโกงมาโอเราเคยโกงเขาไว้เราจะไม่โกงอย่างนี้อีกเพราะาเรารู้ว่าการถูกโกงเป็นทุกข์เห็นไหมอย่างเงี้ยยิ่งจากนอกอย่างนั้นเราสามารถที่จะฝึกจิตของเราเนี่ยให้มีการพัฒนายิ่งยิ่งขึ้นไปโดยการฝึกสมาธิ ใช่ไหมฝึกสมาธิจิตใจมีสมาธิมีความตั้งมั่นมีความสงบมีความสุขเสร็จปุ๊บเอาจิตที่มันมีสมาธิมีความตั้งมั่นมีความสุขวันนี้พัฒนาต่อไปให้มีปัญญาตรงนี้สําคัญนะฮะคนส่วนใหญ่มาตายตรงความสุขเนอะไหมพอคุณมีเงินระดับหนึ่งพอสมควรแล้วคุณก็หาความสุขกายนะคนที่มีความละเอียดอ่อนมากกว่านั้นมีความสุขใจหาความสุขใจขึ้นจากการทําบุญรักษาศีลให้ทานนั่งสมาธิหรือว่าลัมไทเก๊กเนี่ย นะพอมันนิ่งสงบเบาสบายเนี่ย น, นะแล้วเราก็พอใจอยู่แค่นี้เนี่ยแสดงว่ายังไม่พอนะเพราะว่าสมาธิพวงนี้มันเสื่อมได้แต่ความสุขที่แท้จริงของใจเราเนี่ยต้องเกิดขึ้นจากการที่ใจของเราเนี่ยมันไม่ดินน้นรนไม่เล่าร้อนไม่มีตันหาวปาทานมากใจที่เป็นแบบนี้จึงจะเป็นใจที่มันสงบเย็นได้ด้วยตัวมันเองนั่นแหละคือความสุขที่แท้จริง นั้นเวลาเราลัมไทเกเ ก, กตามเราทําอะไรก็ตามถ้าเป็นไปเพื่อให้กิเลสตัณหาอุปาทานน้อยลงตัวนี้แหละคือตัวสาระที่แท้จริงของชีวิตและนี่แหละคือสาระที่แท้จริงของการมีความสุขนะฮะนั้นการที่เรามาราไทเกเ ก, กนเนี่ยส่วนหนึ่งละเราได้กําลังกายใช่ไหมเราได้เหงื่อเราได้การเคลื่อนไหวแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยจะเสพติดกับความสงบนึกออกไหมใครลําไทยเกเกตสงบนั่ง มีไหมใครลำไทยเก๊กล้วสงบสบายรู้สึกเบาสบายมีไหมยังไม่ถึงขั้นนั้นใครสามารถเคลื่อนเป็นหนึ่งเดียวไปกับกายเคลื่อนไหวได้บ้างมีไหมยังพิดปิดถูกถูกอยู่ผิดมากผิดมากถูกมากฝ่ายขาใกล้ใกล้ขวาขวาปิดถูกถูกเหรออ่าเนี่ยนะอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่ ถ้าใครสามารถที่จะสามารถรำได้อย่างชำนาญเนี่ยนะจนกระทั่งว่าใจแน่เป็นหนึ่งเดียวกับกายที่มันเคลื่อนไหวไปอย่างเยือกเย็ยนได้เนี่ยมันจะมีความเครียกสงบระดับหนึ่งซึ่งในความสงบแบบนี้มันเป็นความสงบที่สามารถทําความสุขให้เกิดขึ้นได้นะแต่จุดที่สําคัญที่สุดคือว่าเราทํำยังไงที่จะนําความสุขชนิดนี้เนี่ ย, ยไปพัฒนาต่อให้มีปัญญานะเพราะว่าคําสอนในพุทธศาสนาเนี่ยมันมีศีลสมาธิแล้วก็ปัญญา นะมีศีลอย่างเดียวก็ไม่ใช่นะมีศีลมีสมาธิก็ยังไม่จบมันจะจบตรงปัญญานะทำยังไงเราจะเกิดปัญญาปัญญาในที่นี้ก็ไม่ใช่เกิดจะขึ้นจากปัญญาที่เราไปนั่งคิดเอาไปนั่งพิจารณาเอาว่าโอ้ชีวิตมันไม่เที่ยงเนาะนะเกิดมาแล้วก็ต้องตายของอะไรอะไรก็ไม่ใช่เราเนี่ยนะอัะนี้มันก็ปัญญาเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นัญญาระดับต้นๆ น, นะมันคิดได้แต่ว่าจริงๆแล้วมันปล่อยวางไม่ได้ นะเรารู้ว่าความโกรธไม่ดีทุกคนรู้ใช่ไหมแต่เวลามันโกรธทำไมมันโกรธ <c oughs> <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> รู้ว่าอะไรไม่ดีนะโมโหไม่ดีแต่ก็โมโหเอา้าทำไมล่ะใช่ไหมเหมือนกันเลยรู้ว่าข้าวกล้องดีแล้วถามว่าใครกินข้าวกล้องบ้างไม่กินใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะผมไปถามเนยอบรมสุขภาพเนี่ยมันเป็นความจริงที่ที่ไม่รู้จะพูดว่ายังไงนะพูดพูดไปเป็นข้าราชการนะ มีใครไม่ทราบบ้างว่าเข้ากล้องเนี่ยดีกว่าข้าวขาวนะทุกคนทราบดีใช่ไหเข้ากล้องดีกว่าข้ า, ขาวขาวถามต่อไปว่าอันเรมีใครทาเข้ากล้องบ้างในบรรดา 20-30 คนเนี่ยจะยกมืออยู่มาสองสามคนในสองสามคนเนี่ยทาเข้ากล้องร้อยเปอร์ซ็นตครับมีอยู่คนเดียวที่เหลือในผสมอ้าวทำไมอย่างนั้นล่ะใช่ไห ม, มอ้าวทำไมอย่างนั้นล่ะก็รู้ว่ามันดีอ่ะก็ก็จะเริ่มหาข้ออ้างละ เออมันไม่อร่อยอะมันแข็งอะไรเงี้ยนะใช่ไหมอ่านั่นแหละใช่ไหมนั่นแหละเหมือนกันเลยของส่วนจิตไม่แข็งนะอ่านะเหมือนกันเลยก็คือว่าเรารู้ว่าความโกรธไม่ดีความโมโหไม่ดีความอิจฉาด้วยสีามไม่ดีความพยาบาทไม่ดีความพุ่งสร้างไม่ดีเรารู้รู้แต่ทําไมเราละมันไม่ได้ใช่ไหมเรารู้แต่ทําไมสิ่งนั้นยังอยู่กับเราได้เราอยากเอามันออกไหม ตรงนี้สาคัญเรารู้ว่ามีของไม่ดีอยู่ในบ้านเราเรายังขนออกไปได้ยังกวาดออกไปได้ถูกไหมแต่ของไม่ดีที่มันอยู่ในใจเราเนี่ยเราจะทำยังไงจึงจะกวาดออกไปได้เนี่ยต้องใช้ปัญญาสีเนี่ยอันหนึ่งละเป็นการไม่ชักศึกเข้าบ้านนะไม่สร้างขยะในใจมากขึ้นนะการมีสีเนี่ยนะอันที่สองคือการมีสมาธิการมีสมาธิเนี่ยเหมือนการข่มเขาไว้นะ ในขณะเดียวกันที่เรามีสมาธิเนี่ยนะมันจะมีการข่มเข้าไว้นะมันดูว่าสงบนะดังการที่เรามีสมาธิเนี่ยถามว่าดี <knights. S 2> แต่ว่าการมีสมาธิเนี่ยมันเป็นแค่าแค่การกดขม่มสังเกตไหมเวลาเราลําท้ายเก๊กเนี่ยเราอยู่กับท่าทางเนี่ยสังเกตว่าใจเราจะไม่ค่อยฟุ้งไปในอดีตไม่ได้ไปในอนาคตใช่ไหม ใ, <ช>ในขณะที่เราลําเนี่ยเราอยู่กับท่าเนี่ยเราจะอยู่กับปัจจุบันใช่ม แล้วเราก็สนใจเนี่ยจดจ่ออยู่กับมืออยู่กับเท้าที่กําลังเคลื่อนไหวไปเนี่ย น, นั่นแหละนั่นแหละสังเกตว่าในขณะนั้นเนี่ยใจเราจะไม่ทุกข์ใช่ไห ม, ม, ไมเรามีความเครียดความวิตกกังวลอะไรความอะไรอยู่ลึกๆในใจเราเนี่ยจะถูกละไปโดยอัตโนมัติในขณะนั้นใช่ไหมในขณะที่เราจดจ่ออยู่กับปัจจุบันเนี่ยนั้นการที่เรามีสมาธิอยู่เนี่ยมันจะเป็นการกดข่มไว้ นะเป็นการกดข่มไหมแต่พอเราล้ำท้ายเก๊กเดินก็ไปผ่านหน้าบ้านคนที่ทะเลาะกับเราอยู่ปึ๊กในใจเราเหมือนเดิมใช่ไหมปึ๊กในใจเราเหมือนเดิมพอได้ยินเสียงมาก็หันขวับทันที <S <S ใช่ไหมเมื่อกี้ทําไมไม่มีล่ะเมื่อกี้ไม่มีเพราะว่าเราจดจ่ออยู่กับปัจจุบันแต่พอเราไปตาเห็นขึ้นมาหูได้ยินเสียงกระทบขึ้นมาใจมันมาแล้วใช่ไหมเนี่ยถ้าเราไม่มีปัญญานะ เราจะไม่สามารถสกัดกั้นสภาวะข้างในหรือไม่สามารถที่จะสลัดออกไปได้เราก็ปล่อยให้มันเพ่นพ่านอยู่ในใจเราเนอะไหมเหมือน ก, นการที่เรามีบ้านแล้วก็ปล่อยให้ผู้ร้ายมันมาเคหัวเราทุกวันอ่ะไม่มีปัญญาที่จะทำอะไรกับมันรู้ว่าไม่ดีแต่ไม่มีปัญญาเห็นไมไม่มีปัญญาที่จะกาจัดมันหนีไปลําไยเก๊กดีกว่าเว้ยลืมไปพักหนึ่งใช่ไหมกลับมาเจอเหมือนเดิมใช่ไมขอโทษนะ ไอ้แก่ไอ้แก่ที่บ้านก็สร้างความขัดขัดตาเครืองหูเนี่ยใช่ไหมเนี่ยถ้าเราไม่มีปัญญาเนี่ยนะมันจะเป็นการหนีเป็นการหลบเป็นการเลี่ยงแต่ถ้าเรามีปัญญานะเราจะสามารถประชิญหน้ากับคนคนเดิมกับเหตุการณ์เดิมๆได้โดยที่ใจเราเนี่ยไม่ทุกเนี่ยตรงเนี้ยนั้นจึงบอกว่าการที่เรามาฝึกการลำไส้เก๊กเนี่ยดีละนะอย่างน้อยเนี่ยไม่ให้ฝุ่ง สิ่งที่มันชั่วร้ายต่างๆเนี่ยนะมันเพ่นพ่าดมากเกินไปอย่างน้อยให้มันสงบไปสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งใช่ไหมเต้นแอโรบิกก็ตามนการที่เราเต้นแอโรบิกอยู่เราจะลืมโลกทั้งหมดใช่ไหมเราจะลืมโลกทั้งหมดเมื่ออยู่กับปัจจุบันนั้นจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตของเราเนี่ยถ้าต้องการที่จะมีชีวิตอย่างมีความสุขนะเราต้องอยู่กับปัจจุบันให้เป็นตรงนี้สําคัญที่สุดเลยนะอยู่กับปัจจุบันให้เป็นคนที่มีความทุกข์เพราะว่ามันอยู่กับปัจจุบันไม่เป็น ทุกเบ็ดตเตล็ดทุกไรสาระทุกที่มันไม่จําเป็นต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เราไม่อยู่กับปัจจุบันเราแปลงฟันอยู่เนี่ยนะเราแปลงไปแล้วเราก็คิดอะไรไปเรื่อยใช่ไหมคิดถึงสิ่งที่พอใจก็ตามไม่พอใจก็ตามโดยเฉพาะถ้าคนคนที่คิดมากเนี่ยนะกำลังนั่งอาบน้ําอยู่นะอาบน้ําอยู่ใจมันก็ตะเลิดไปไหนก็ไม่รู้ใช่มไหมเนี่ยการที่เราต้องการที่จะมีความสุขนะง่ายมากเลยแค่เราอยู่กับปัจจุบันให้เป็น นการไปอยู่กับปัจจุบันให้เป็นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นได้แค่คิดเอาตรงนี้สำคัญนะเรารู้ว่าหมอบอกมาพูดเนี่ยนะว่าต้องอยู่กับปัจจุบันแต่ถ้าเราไม่เคยฝึกไว้มันจะเป็นมะไม่เป็นอีกแล้เหมือนกันเลยรู้ว่าลำ้ำไทยเกกด็ดีไปนั่งเขาดูเพลิดเพลินยินดีกเขาพอบอกลํำเองเนะทาเองลองทำเองดูสิทำไม่เป็นเพราะว่าไม่เคยฝึกใช่ไหม นั้นปัจจุบันรู้ว่ามันดีอยู่กับปัจจุบันได้แล้วจะทําให้มีความสุขมีความสงบใจไม่ค่อยวุ่นวายแต่นอกจากรู้แล้วเนี่ยต้องลงมือทําใช่ไหมเรามาราอยู่ที่นี่เนี่ยวัละกี่ชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งใช่ไหมถ้าเราไปอยู่บ้านถ้าเราทําอยู่บ่อยๆเนืองๆถ้าเรามีเวลาว่างจะดีไหมใช่ไหมเราจะมีความชํานาญมากขึ้นใช่ไหมเหมือนกันเลย การเจริญสติห <implemented> ร mm. um. ือว่าการเจริญสมาธิหรือว่าการอยู่กับปัจจุบันเนี่ยต้องทําในทุกขณะที่เรามีชีวิตอยู่ที่บ้านเรานั่นแหละการที่เรามาอยู่ที่นี่เนี่ยเหมือนการมาพบญาติกันเหมือนการมานั่งพบป่าแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแต่ชีวิตของเราจริงๆเนี่ยก็คือเราต้องอยู่ที่บ้านอยู่ที่ทํางานเราสามารถที่จะใช้แดนงานที่เป็นปัจจุบันเนี่ยเป็นที่อยู่สร้างหรือฝึกให้เราก็อยู่กับปัจจุบันให้เป็นหันผักเรารู้อยู่การหันผักได้ไหม ใส่เสื้อผ้าเรารู้อยู่การใส่เสื้อผ้าไหมในขณะที่เราจะก้าวเดิอนออกจากบ้านใจเราอยู่ที่ทํางานแล้วใช่ไหมลักษณะอย่างนี้แหละเขาเรียกว่าคนใจลอยเหนือไหมคนที่ฟุ้งซ่านมากๆก็คือคนที่ใจลอยมากเผลอมากหลงมากพวกเนี้ยชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยจะเป็นคนที่เรียกว่าทุกข์ง่ายสุขยากนะหาความสุขได้ยากนะแต่ความทุกข์เนี่ยโอ้โหเพ่นพ่านนะเป็นคนขี้หลงขี้ลืม ใช่ไหมปิดประตูแล้วก็ไม่รู้ไม่แน่ใจว่าล็อกกอหรือเปล่าขับรถไปถึงที่ทํางานเอ๊ะเราล็อกห้องหรือยังวะเราปิดน้ําหรือยังวะบางคนถึงก็ต้องขับรถกลับมานะออใช่ไหมบางคนถึงก็ขับต้องขับรถกลับมาเพราะอะไรมันไม่แน่ใจอ่ะว่ามันปิดหรื อ, อยังทั้งนี้เพราะอะไรตอนที่เราปิดเนี่ยมันไม่มีสติเนอะบอกไหมในขณะที่คุณปิดเนี่ยมันไม่อยู่กับปัจจุบันแต่ถ้าเกิดว่าเรา เรารู้ชัดเจนเลยว่ากําลังกดลูกบิดกําลังล็อกประตูหรือว่ากําลังปิดน้ําอยู่กําหนดรู้ให้ชัดเจนเนี่ยพอเราขับรถไปถึงที่ทํางานมันนึกขึ้นม า, าเอ๊ะเราปิดน้ํำยังมันจะปรากฏคําตอบขึ้นมาทันทีเลยว่าปิดแล้วจบไหมจบเห็นไหมแต่ถ้าไม่มีสติเสร็จปุ๊บมันจบไม่ลงนะมันเอ๊ะจะทําทยัางไงใครอยู่บ้านต้องเปลืองท่าโทรศัพท์กลับมานะเอ๊ยดูหน่อยปิดน้ําหรือยังใช่ไหมดีไม่ดีขับรถกลับมาอีกถ้าไม่มีใครอยู่บ้าน เ ห, นห็นั้นคุณค่าของการมีสติกับปัจจุบันเนี่ยหรือว่าอยู่กับปัจจุบันเป็นเนี่ยมากมายมหาศาลนะนั้นการลําไทยเกกเนี่ยเป็นบาดฐานที่สำคัญแต่อย่าลืมว่าต้องทำอย่างอื่นร่วมด้วยนะฮะให้มีสติอยู่กับปัจจุบันให้เป็นฉั้นการที่เราลําไทยเกกเนี่ยมันเป็นการดึงกลับมาอยู่กับปัจจุบันเป็นรูปแบบนะอย่างที่บอก ศาสตร์ตะวันออกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโยคะกตาหรือว่าไทายเก๊กกรตามรือว่าการทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็คือเพื่อดึงเราเนี่ยดึงจิตมาให้อยู่กับปัจจุบันให้เป็นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเราจะพัฒนาต่อให้มีให้มีปัญญานะเราอย่าจมอยู่กับปัจจุบันนึกออกไหมอย่าจมอยู่กับปัจจุบันนะถ้าเราลําไทเก๊กเราพงส่งจิตพุ่งไปอยู่ในมือเราเนี่ยนะอันเนี้ยใจเราจะแน่ไปกับมือที่เคลื่อนไหวชา้า จิตแบบนี้จะเป็นจิตสมาธิแต่ถ้าทําอย่างนี้มากๆนานๆบ่อยๆสืบเนเื่องกันไปนะมันจะมีแต่สมาธิแต่มันไม่มีปัญญานะผมจะพูดเอกสาภาวันนี้ให้เข้าใจได้ยังไงกันไม่ทราบนะแต่ว่าวิธีการก็คือว่าถ้าเราสามารถในเบื้องต้นนะถ้าเราต้องการที่จะจะฝึกสติผ่านการลำไท้เก๊กนะอันที่หนึ่งที่เราต้องทําให้ได้ก็คือจําท่าลาให้ได้ก่อนนะ เห็นพี่อบอกว่ามีตั้ง81ท่านะไทยเก๊ก81ตอนนี้ถึงที่ท่าที่เท่าไรแล้วท8 8ท่าลำถึงลำถึงนะนะในเบื้องต้นเนี่ยก็คือว่าเราต้องจําท่าลำให้ได้ก่อนนะพอจําท่าลำให้ได้เสร็จปุ๊บเนี่ยท่านต่อไปก็คือว่ามีสติไปกับการเคลื่อนไหวไปก่อนพอมันแนบสนิทกันดีแล้วเนี่ยพอเราจะพัฒนาให้มีสติให้มีปัญญานะต้องถอยออกมาอีก คือรู้ตัวเฉยเฉยรู้หลวมหลวมไม่ใช่แนบสนิทไอ้สภาวะนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อเราเข้าใจสภาวะที่มันเป็นสมาธิไปแล้วมันจึงจะถอนออกมาได้นะมันจึงจะถอนออกมาได้ตัวตรงเนี้วิธีการก็คือว่าจุดที่เรียกว่าทําให้เกิดปัญญาเนี่ยลักษณะของปัญญาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันคืออะไรปัญญาที่มันเกิดขึ้นมามันก็คือมันจะเห็นว่าอ๋อที่มันเคลื่อนไหวอยู่เนี่ยนะมันเป็นรูปนะเป็นรูปเป็นร่างกายเรา นะมันมีธรรมชาติอยู่สองอย่างในตัวเราเนี่ยอันนึงที่มันเคลื่อนไหวไปเนี่ยนะเป็นรูปนะรูปเนี่ยมันเป็นที่อยู่อาศัยของจิตรั้วใจรูปกับใจรั้วรูปกับนามเนี่ยมันคนละอันกันเราสังเกตดูให้ดีนะตอนเราลัมไปเนี่ยมือที่มันเคลื่อนไหวไปเนี่ยมันเหมือนท่อนไม้แล้วก็ท่อนฝืนนึกออกไมันเป็นรูปเป็นกายเป็นที่อยู่อาศัยนะในขณะเดียวกันมันมีธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งที่มันไม่เหมือนรูปใช่ไหม มันมีธรรมชาติอีกชนิดหนึ่งที่ไม่เหมือนกายแต่มันอาศัยกายอยู่อันนั้นเขาเรียกวันนามเนื้อออกไหมเนี่ยให้เราสังเกตเวลาเราไปเนี่ยเราจะสังเกตว่าโอ้กายของเราเนี่ยนะถ้าเราไม่สั่งมันให้ไม่ช่วยเหลือมันเนี่ยนะไม่ไม่มีปัญญาทําอะไรได้ปวดท้องฉี่ถ้าเราไม่ไม่สั่งไปฉี่ให้มันเนี่ยนะมันอันฉี่จนตายมันก็ไม่ไม่ไม่ฉี่ไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นนั้นเราจะเริ่มมีสติปัญญาในการเข้าใจชีวิตมากขึ้นว่าอ๋อ คนเราเนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นคนล้วนๆแล้วนะนะไม่ใช่เป็นตัวตันๆแล้วนะมันมีรูปกับ น, นามาใส่กันอยู่เห็นไหมเราเริ่มมีสติปัญญาในการแบ่งแยกธรรมชาติสองอย่างนี้ได้แล้วต่อไปเมื่อเราล้าไปเรื่อยๆเราจเจริญสติไปเรื่อยๆอยู่ปัจจุบันรู้สึกตั ว, ร, ตวรู้สึกตัวอยู่เสมอเนี่ยเราจะเห็นว่ากายของเราเนี่ยนะเป็นธรรมชาติชนิดที่เรียกว่าต้องอาศัยเหตุปัจจัยที่ผมว่าไว้ทั้งหมดเนี่ยนะต้องกินข้าวใช่ไหมต้องอาบน้ําต้องชําระแก้ทุกข์ให้มัน นะร่างกายของเราเนี่ยนะที่เราเห็นว่ามันเป็นของเราเราเริ่มเราเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ของเรานะมันสั่งไม่ได้ถูกไหมเรานั่งนั่งไปเนี่ยสั่งว่าอย่าเมื่อยนะได้ไหมไม่ได้ละกินข้าวเช้าแล้วกลางวันไม่ต้องกินไม่ต้องหิวแล้วนะสั่งมันได้ไหมไม่ได้ละเห็นไหมเราเริ่มพอเราตามรู้มีสติอยู่กับปัจจุบันรู้สึกตัวไปเรื่อยเราจะเริ่มเห็นมากคือแล้วว่าร่างกายของเราเนี่ยมันไม่ใช่ของเราจริงๆเป็นสิ่งที่บังคับไม่ได้ น ไ, ไซึ่งเรามีความเข้าใจไว้นำล่องก่อนหน้านั้นแล้วว่าร่างกายของเราเนี่ยมันมีการพัฒนามีการเสื่อมไปท้ายสุดต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเนี่ยเราเข้าใจเป็นพื้นฐานไว้แล้วพอมาเราจเจริญสติเนี่ยเริ่มเราเริ่มสัมผัสความเป็นจริงชัดขึ้นชัดขึ้นใจเราก็จะเริ่มยอมรับการยอมรับมีผลยังไงการยอมรับก็คือมีผลถึงการปล่อยวางร่างกายเนี่ยเป้าหมายของการมีปัญญาคือปล่อยวางความยึดถือนึออกมาถ้าเรายึดมาก ทุกมากไหมทุกมากยึดน้อยทุกน้อยไม่ยึดเลยไม่ทุกเลยเห็นไหมคนเราทุกวันเนี้ยมันทุกเพราะร่างกายถูกไหมทุกมากเพราะอะไรทุกมากเพราะยึดมากไม่ใช่ทุกมากเพราะโลกมากนะความมีโลกมากไม่ได้เกี่ยวความทุกใจนะสังเกตดูให้ดีความมีโลกมากที่มันทุกมากเพราะคุณยึดมากคนไม่มีโลกเลยแต่ยึดมากก็ทุกนะเหมือนกันนึกออกไหมทุกคนอะไรอย่างใช่ไหมตรงเนี้สําคัญ นั้นการมีปัญญาก็เพื่ออะไรการมีปัญญาเพื่อความปล่อยวางเมื่อเรามีปัญญารู้เท่าทันว่าธรรมชาติของร่างกายเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้มันไม่ใช่ของเราหรอกมันเป็นแค่ของบางอย่างที่มีธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไปมารวมกันอยู่นะักขณะหนึ่งเท่านั้นเห็นไหมเราเริ่มมีความเข้าใจแบบทราบซึ้งมากขึ้นเรื่อยๆนะเราจะมีการปล่อยวางร่างกายของเรามากขึ้นปล่อยวางนะไม่ใช่ปล่อยทิ้งนะนะเรายังคงเกี่ยวข้องกับเขาแล้วเนี่ยหาข้าวให้เขากิน อาเสื้อผ้าเขาใส่เจ็บไข้ได้ป่วยยังพาเขาไปโรงพยาบาลอยู่แต่เราจะไม่ทุกข์กับเขาหรือทุกข์กันน้อยลงมันขึ้นอยู่กับเราเรายึดมากหรือยึดน้อยหรือไม่ยดึดนะตรงนี้สําคัญพอยึดน้อยทุกน้อยยึดมากทุกมากไม่ยึดเลยไม่ทุกเลยเห็นไมเพราะนั้นการเจริญสติด้วก็การมีสติปัจจุบันเนี่ยอา น, นิสงส์มันเยอะนะแต่เป้าหมายก็คือความสุขความสุขที่แท้จริงเกิดจากอะไรความสุขที่แท้จริงเกิดขึ้นจากการที่เราปล่อยวาง ออปวางความยึดมั่นถือมั่นคลายความยึดมั่นถือมั่นในกายอันนี้ของเราลงถ้าเราคลายความยึดมั่นถือมั่นในกายของเราลงได้นะเราจะมีความสุขเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติโดยที่เรายังจนเหมือนเดิมเรายังมีโรคเหมือนเดิมนะเรายังมีความแตกแยกอยู่เหมือนเดิมแต่ใจเราเนี่ยเย็นลงเห็นไหมกลับมาสู่พื้นฐานเดิมที่เราคุยกันก็คือว่าอยู่เย็นนั่นแหละจึงเป็นสุขเห็นไหมทุกคนต้องการความสุข แต่เราไขว่คว้าหาความสุขโดยที่เราไม่รู้จักธรรมชาติหรือว่าเหตุในการที่จะทําให้เกิดความสุขนั้นพอเรามีสติปัญญาพัฒนาไปมากขึ้นมากขึ้นเราเกี่ยวข้องกับเรื่องของร่างกายอย่างถูกต้องทุกเราจะลดลงโดยอัตโนมัติทุกที่ลดลงก็คือความสุขที่มากขึ้นแล้วความสุขชนิดนี้ไม่ต้องซื้อหาเนอะไหมไม่ต้องซื้อหาไม่ต้องไปค้นคว้าที่ไหนเพียงแต่ว่าคุณศึกษาตัวคุณเองวิธีการศึกษาคือมีสติ นะดูกายของเราดูกายดูกายเคลื่อนไหวนะหยิบไขกุญแจก็รู้อยู่กับมือที่เรากําลังไขกุญแจแตักข้าวเราก็รู้เรากินข้าวอยู่ใจนคิดไปไหนใช่ไหมเนี่ยเห็นไหมการที่เราเผลอไปนั่นแหละการที่เราหลงไปนั่นแหละทําให้เราเนี่ยถูกหลอกนะการที่เราถูกหลอกก็คือว่าเราหลอกให้เรายึดถือตัวเราเองพอยึดถือยิง่งยึดถือมากก็เลยยิ่งทุกข์มาก นี่เราจะทำยังไงเรืจะคลายทุกข์จะน้อยลงนะต้องมีปัญญาการที่จะมีปัญญาต้องมีสติเห็นไหมการมีปัญญาต้องมีสติพอเราทําไปเจริญสติไปนะล้ำท้ายเก๊กไปเรื่อยๆเราดูเห็นธรรมชาติของกายว่าโอ้ทํากายเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะพอเราดูธรรมชาติของกายไปเสร็จปุ๊บเราลองย้อนกลับมาดูธรรมชาติของจิตนะย้อนกลับมาดูธรรมชาติของจิตใครเคยดูใจตัวเองเป็นมั่งเคยดูไหม เคยดูไหมเอาลองดูสิลองดูเราดูได้นะเคยโกรธะหอา้าว <c oughs> นั่นแหละจิตแล้วละ่ะ <c oughs> เคยหงุดหงิดมหมนั่นแหละเคยดีใจไหมนั่นแหละนั่นแหละคือลักษณะของการดูใจเราแต่ว่าตอนที่เราดูใจเราเนี่ยเรายังดูไม่เป็นเราดูไม่เป็นเราเลยไม่รู้ว่านี่นะการดูอย่างนี้บ่อยๆบ่อยๆเนี่ยนะมันเป็นความรู้สึกนั่นแหละ <c oughs> ดูความรู้สึกของเรานั่นแหละ นะเดี๋ยวไปควานหาจิตเป็นดวงดวงจิตเป็นบ้าอะไรอีกนะความหามันเรารู้สึกยังไงนั่นแหละดูที่ความรู้สึกกันนั้นรู้ว่ารู้ที่ความรู้สึกกันนั้นเรียกว่าการระลึกรู้เนี่ย ก, า, การระลึกรู้เขาเรียกว่าสตินะเราเดินไปเนี่ยมันมีความเบาสบายใช่ไหมรู้พอมีเสียงตะโกนด่ามาหันขวับไปตอนแรกโมโหก่อนพอมองไปเออเขาไม่ได้ด่าเราเขาด่าฝั่งดุนอยู่เห็นไหมตอนแรกกุดหงิด นะโมโหปุ๊บเอาเขาด่าคนาห น, นุ่ยนี่ใจเราปลอดโปร่งขึ้นเห็นไหมจิตเราเปลี่ยนอีกแล้วให้สังเกตตรงเนี้ยสังเกตกายสังเกตใจการที่รู้กายรู้ใจอยู่เสมอเสมอเนี่ยเราจะเริ่มเห็นธรรมชาติสองอย่างนี้ว่ามันไม่เหมือนกันอันที่หนึ่งอันที่สองเราจะพบว่าใจเราเนี่ยนะมันเปลี่ยนทั้งวันนะตั้งแต่ตื่นเช้ายันหลับตานอนเนี่ยนะใจมันเปลี่ยนทั้งวันใจไม่ใช่เป็นคนเดิมหรอกใช่ไหมเนี่ยเราจะเห็นมันอย่างเนี้ย พอเราเห็นมันเสร็ปุ๊บเนี่ยมันจะมีปัญญาตรงไหนมันจะเป็นมันจะเป็นปัญญาตรงที่ว่าไอ้ใจอะไเนี่ยนะไปะอยากให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการไม่ได้ใช่ไหมทีนี้เราจะทํายังไงถึงจะควบคุมใจของเราได้เนี่ยมันจะเริ่มมีอุบายเริ่มมีวิธีละนั้นในเบื้องต้นก็คือว่าเราทํายังไงเราจะใช้สื่อที่ไทเกกพี่อุ้ยมาแนะนำหรือว่าเรากําลังทําอยู่เนี่ยเป็นเครื่องมือเขาเรียกเริ่มก่อนเริ่มก่อ น, เ ร, นเริ่มต้นก่อน แล้วเราก็นําเข้าไปในชีวิตประจําวันของเราให้ได้ถ้าเราสามารถนําไปในชีวิตประจําวันของได้เนี่ยปัญญามันจะเริ่มเกิดขึ้นเองการที่เราเฝ้าดูตัวเราเองปุ๊บปอยู่กับปัจจุบันความทุกข์ต่างๆที่มันเป็นทุกข์สับเพร่เหละทุกข์กเบตเร์เลตเนี่ยมันจะลดลงเดี่ยวตโนมัติชีวิตเราจะมีความสุขขึ้นโดยที่ไม่ต้องได้เงินเดือนเพิ่มไม่ต้องเลื่อนตําแหน่งนะอายุที่มากขึ้นด้วยนะเป็นของแถมเนี่ยนะเราก็จะมีความสุขมากขึ้นนะมันยอมได้นะแต่ว่าจริงๆแล้วจุดนี้สําคัญนะ จุดที่เรียกว่าเราต้องเห็นความจริงให้ได้ด้วยใจของเราไม่ใช่คิดเอาผมเคยมีคนไข้คนหนึ่งนะเป็นผู้หญิงเป็นมะเร็งปากมดลูกเป็นระยะที่ตอนแรกนี่เป็นระยะที่เท่าไหร่จับไม่ได้แล้วนะต่อมาก็ไปรักษาไปฉายแสงไปอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่า4ี่หปีต่อมาในโลกมันเกิดซ้ําคราวนี้มันเป็นรุนแรงและมันกระจายไปทั้งท้องนะต้องจากคนไก้สูตินรีเวสเนี่ยต้องมาเป็นคนไข้สัญญกรรมที่มาเป็นคนไข้สัญยกรรมเพราะอะไรเพราะว่าลำไส้มันอุดตันนะลำไส้อุดตันเสร็จปุ๊บ จากคนไข้สูตีในรีเว่ต้องมาเป็นคนไข้สัญยกรรมใช่ไหมถามว่าผมทําอะไรได้ไหมผมทําอะไรไม่ได้เพราะมันตันหมดแล้วนะก้อนมะเร็งมันอึดทึดหมดแล้วผมก็คุยกับเขาเพราะคุยดีนะใจดีโอ้โหหม อ, อพี่ไม่เป็นไรแล้วพี่ปล่อยวางแล้วพี่เป็นมาสี่ห้าปีเนี่ยอ่านหนังสือธรรมะนะฟังธรรมฟังเทศเนี่ยมันอย่างนี้แหละเกิดมามันก็นเดี๋ยวก็ต้องตายอะไรอย่างเงี้ยนะทําใจได้ไเออเราก็คิดว่าเขาทําใจได้จริง ก็อยู่โรงพยาบาลไปอีกประมาณสักอทิตสองาทิตย์ปรากฏว่าพอมันแย่หนักๆเข้าเนี่ยทุกขเวทนาที่มันมากเนี่ยสติมันแตกเออะโวยวายนะเออะโวยวายนะสามีอยู่ไหนแม่อยู่ไหนพ่ออยู่ไหนลูกอยู่ไหนใช่ไหมฉันปวดมากฉันไม่ไหวแล้วฉันอะไรเงี้ยนะสติแตกเห็นไหมทั้งนี้เพราะอะไรทั้งนี้เพราะว่า เราวางได้ในระดับความคิดแต่จริงๆแล้วเนี่ยความยึดถือเนี่ยนะมันมากกว่านั้นอีกนะมันมากกว่าการคิดเอานะเพราะฉะนั้นเราถ้าเราต้องการที่จะทุกน้อยลงในขณะที่เราแก่มากขึ้นหรือพูดอีกอย่างนึงตรงกันข้างคือว่าถ้าเรายิ่งแก่ขึ้นแล้วจะให้มีความสุขมากขึ้นเนี่ยเราต้องจเจริญสติมากๆความสุขใจมันจะเกิดขึ้นได้ตัวมันเองที่มันสุขใจได้อีกทางหนึ่งเพราะว่าหนึ่งมันอยู่กับปัจจุบัน อยู่ปัจจุบันเป็นอันที่สองคือมันมีความเข้าใจว่าอย่างลึกซึ้งมากขึ้นว่าธรรมชาติของร่างกายเนี่ยมันเป็นอย่างนี้พอมันมีความแปรปรวนไปเสร็จปุ๊บมันก็ทุกไม่มากเล้วทุกน้อยๆใช่ไหมเกี่ยวข้องไปอะไรไปได้ตามสภาวะแล้วถ้าเราฝึกมากๆเขาสามารถที่จะปล่อยวางกล้างกายได้เลยเนี่ยอันนั้นน่ะจะเป็นสิ่งที่ที่เรียกว่ามีความสุขอย่างที่แท้จริงโดยเฉพาะถ้าเข้าสู่วัยชราเราแก่ไปเพื่ออะไร เพ well <Ha? Me. S 2> ื่ออะไรแก่เพื่ออะไรถ้าถามผู้สูงอายุฮะเราแก่ไปเพื่ออะไรฮะเพื่อเรงเพื่อความตายเพื่อความตายอ้ามีคนไม่เห็นด้วยไม่ใช่ แกไปเพื่ออะไรเราแกเพื่อเราทําให้ตัวเรานี่มีความสุขว่าเออเราอายุยืนมาถึงขนาดนี้เราต้องยึดสิ่งที่อยู่ว่าเรามองเห็นพอที่เราจะจับต้องได้เราจะไม่ใส่ความที่เกินความสามารถของเราไ่ใช่ตั้งแกแล้วไปเราทำตายและ <c oughs> ทุกเลยทุกเลยใช่ไหมไม่ <c oughs> ใช่อ่าก็ถูกนะ <c oughs> แต่ว่าในความเข้าใจของผมเนีผมไม่ได้ว่าผิดว่าถูกนีแต่ความเข้าใจของผมเนี้ยคนเราแก่ เพื่อให้เห็นชีวิตให้ครบรอบนึกออกมหเราแก่ไปเพื่อให้เห็นชีวิตว่าชาติหนึ่งชาติหนึง่ง แ, แต่ทุกครั้งที่เราเกิดมาเนี่ย น, นะตั้งแต่เด็กเป็นหนุ่มกลางคนอายุมาขึ้นชราใช่มสิ่งที่เกิดสูงสุดก็คือปัญญาปัญญาที่เห็นว่าชีวิตไม่ว่าคุณจะเกิดอีกกี่ชาติกี่ชาติมันก็วนอยู่อย่างเงี้ยนะ วนอยู่อย่างเงี้ยเรามีปัญญาเห็นแจ้งตรงนี้ไหมมีปัญญาเห็นแจ้งในขณะที่เกิดความเบื่อหน่ายไหมเบื่อหน่ายต่อการเกิดเปล่าตรงเนี้ยสำคัญนะรู้ว่ายังสนุกกับการเกิดอยู่ตรงเนี้ยสำคัญนึกถึงขนาดนะอ่าเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะใช้การแก่อย่างคบล่อวงจรเนี่ยนะเราจะเห็นเลยว่าโอ้โหเนี่ยเมื่อก่อนนะมันเคยหนุ่มเคยฟิตเปียนะปีนเขาได้เป็นลูกๆนะเดินได้หลายสิบกิโล แต่ต่อมามันเริ่มเสื่อมไปของที่เราเคยบังคับได้ก็บังคับไม่ได้ของของเราที่เคยว่าเป็นของเราตอนนี้มันก็มีการทากักทากจากไปของเราก็ตามของคนอื่นก็ตามเราเห็นชัดถึงสภาวะของการมีชีวิตว่าเกิดมาแต่ละรอบและรอบเนี่ยต้องเจอแต่สิ่งเหล่านี้ไม่เว้นทุกๆุรอบเกิดความเบื่อหน่ายว่าการเกิดเตยชาติกี่ชาติมันก็แปะเอียมีอยู่แค่นี้เองความสุขที่เลิศที่สุดที่ดีที่สุดก็เอาไว้ไม่อยู่ ร่างกายที่ว่าของกูก็บังคับไม่ได้เห็นไหมคนที่เกิดปัญญาอย่างแท้จริงจะเกิดการเบื่อหน่ายเกิดการปล่อยวางเบื่อหน่ายแล้วต้องปล่อยวางนะไม่ใช่เบื่อหน่ายแล้วโอยเซ็งยิงเลยนะไม่มีชีวิตวิอยู่เพื่อเลยเกิดอกุศลเกิดขึ้นอันนี้ก็ไม่ใช่นะคำว่าเบื่อหน่ายในทางธรรมเนี่ยเบื่อหน่ายแล้วเนี่ยนะมีใจมุ่งมั่นที่จะไม่ต้องประเกิดอีกดีไหมเพราะถ้าคุณเกิดอีกกี่ชาติคุณก็ต้องเป็นอยู่อย่างเงี้ยต่อให้คุณเป็นเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เป็นจกักรพรรด หาอายุวัฒนามามีจักพรพรรดิองค์ไหนอยู่มาถึงจนป่านนี้มีไหมไม่มีเกิดมาคุณก็ต้องเป็นอย่างนี้อยู่วันยังค่ํา <Okay. S 1> ใช่ไหมมันทางที่ดีที่สุดก็คือว่าคุณอย่ามาเกิดอีกอันนี้พอบอกว่าไม่ให้เกิดอีกชักสงสัยนะ <c oughs> อยากจะเกิดอีก <c oughs> ใช่ไหมสงสัยว่าทํายังไงไม่ให้เกิดอีกเนี่ยเนี่ยเี่ยคำตอบเนี่ยมีในพุทธศาสนานะแล้วถ้าเราอยากรู้ว่ามันจะไม่เกิดยังไงเนี่ยนะเอาง่ายๆเลยว่าทําความไม่เกิดขึ้น ใ, ในใจของเรากัน เราเห็นปุ๊บไม่เกิดความหงุดหงิดอย่างที่มันเคยหงุดหงิดเห็นไหมนี่ความไม่เกิดเกิดขึ้นแล้วนะจากที่เราเคยได้ยินเสียงเขาโบนเขาด่ามาแล้วเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นถ้าเราเจริญสติไปปุ๊บเกิดความเงียบความสงบเกิดขึ้นแม้ว่าเสียงด่าเหมือนเดิมเสียงโบนเหมือนเดิมเห็นไหมความไม่เกิดเกิดขึ้นแล้วนี่ง่ายๆเลยนะยกให้เห็นเลยว่าถ้าเราทําความไม่เกิดให้เกิดขึ้นนั้มันจะมีอาการอย่างนี้ มีความพอใจเกิดขึ้นมาก่อนเห็นอย่างนี้อาหารเนี่ยโอ้โหมันปรุงแต่งต่อเดี๋ยวต้องไปร้านนั้นอีกต้องตากคนนั้นซื้อเห็นไหมพอเห็นปุ๊บกินแล้วมันก็เฉยเฉยจบอยู่แค่นี้เห็นไหมเริ่มมีความจบเกิดขึ้นละ mm hmm. นี่แหละเขาเรียกว่าเป็นร่องรอยของการไม่เกิดนะนี่เมื่อก่อนในสมัยเด็กๆเนี่ยเวลาเป็นเด็กเนี่ยนะหรือว่าคนที่ทะเลาะ ก, กันนะเดี๋ยวกูแช่งเลยมึงไม่ต้องมาพุดว่าเกิดอีกเลยโกรธหน้าดูเลยใช่ไหม <Okay. S 1> โกรธหน้าดูเลยแช่งไม่ให้ได้ผูดได้เกิดเนี่ยนะ แต่ปัจจุบันเนี่ยนะถ้าศึกษาธรรมะนะใครแช่งไม่ให้ผุดได้เกิดนะโอ้ขอบคุณขอบคุณ <laughs> นะสาธุเลยนะนะสาธุเลยไม่ต้องมาผุดว่าเกิดเนี่ยนะเพราะถ้าคุณผุดคุณเกิดอีกนะฮะอันที่หนึ่งคือไม่รู้จริงจริงมันมนุษย์หรือแ่าการผุดเกิดเนี่ยนะอาจจะไปอยู่ในนรกก็ได้ไปเป็นสัตว์ในฉานก็ได้ไปเป็นเปตเป็นอสูรกายก็ได้ไปผุดเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีหน่อยไปเป็นเทวดาก็ดีหน่อยใช่ไหมยังเรียนเป็นฝ่ายสุขติภูมิแต่ถามว่าณวันนี้ขณะนี้เนี่ย ไม่ได้แช่งนะถ้ามีใครตายลรไปใ น, นขณะ น, นี้มีใครมั่นใจว่าตัวเองไปสุขติมีใครมั่นใจถามตัวเองอถามตัวเองไม่มีคำตอบหรอกนะแต่ต้องถามตัวเองว่าถ้าเดินไปไม่รู้ตกบันไดเป็นลมไปตายไปเนี่ยนะคิดว่าตัวเองจะไปสุขติไหมเนี่ยตรงนี้สาคัญนะนะตรงนี้สาคัญหรือ ไปนระกได้เลยดูทุกคนอยากไปสุขติถูกไหมอยากมาเกิดเป็นมนุษย์อีกอยากไปสวรรค์แต่ถามว่ามันเป็นไปนอย่างที่เราอยากหรือเปล่ามันไม่ใช่นะมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนั้นถ้าเราอยากรู้ว่าเราจะไปตายไปเลยนะวันนี้ลองดูนะวันนี้ลองเช็คดูเลยว่าอนาคตถ้าเราตายวันพรุ่งนี้เนี่ยนะเราจะไปสุขติหรือทุกตินะเราดูวันนี้เลยตั้งแต่เช้าไปเลยนะวันนี้เนะี่ยเราฟังทำใจเราดีนะแล้วลอลงดูไปลองคอยเช็คดูว่ามันโกรธกี่ครั้ง มันหงุดหงิดกี่ครั้งถ้าโกรธบ่อยหงุดหงิดบ่อยนะไปนรกแน่นอะหรอไหมสมมติเวลาผ่านไปสิบชั่วโมงเนี่ยนะเรามานั่งเช็คดูเลยนะโอ้โหเวลาสิบชั่วโมงเนี่ยนะความโกรธเราไปกินเกินครึ่งใช่ไหมอย่างเงี้ยมันมีโอกาสไปนรกไหมแนวโน้มันมีไปนรกมันทุบในใจนใช่<อ>เห็นไหมโกรธหงุดหงิดลำคานเบื่อนายเซ็งพวกเนี้ยนะแต่ถ้าใครคิดถึงลูกคิดถึงหลานมากๆนะ นั่งคิดหลานกูเป็นยังไงลูกกูเป็นยังไงนะสิบชั่วโมงเนี่ยนะคิดถึงเกินครึ่งหนึ่งนะห้าชั่วโมงขึ้นไปคิดถึงลูกถึงหลานห่วงนั่ น, ห, น, นห่วงนี่นะตายไปเนี่ยเป็นอะไรรู้ไหมจะเป็นปูโสมเฝ้าทรัพย์ไงก็หวหลวมบาดใช่ไหม <c oughs> นั่นแหละมันจะไปนั่นเลยนะไปนั่นเลยใช่ไหมใครที่มันมีความหวาดกลัวอยู่พิจตกวนกลัวเขาจะจับได้กลัวกลัวนั่นกลัวนี่นะพวงนี้ตายไปนะ เป็นอสุรากายขายที่อยากไม่เลิกนะโอโ้วันนี้สิบชั่วโมงนี้นะอยากทั้งวันเลยนะอยากกินนั่ น, อ ย, น, นอยากได้นั่นอยากได้นี่นะพวกนี้ตายไปเป็นไรไปเป็นเปรตเพราส่วนบุญหรือคะใช่หิวเปรตที่ไม่รู้จักพอหิวทั้งวันกินไม่รู้จักอิ่มเขาเปรียบเทียบ ว, ว่าปากมันเท่ารูกเข็มไงมือเหมือนใบตานนะมือมันจะโกยมาแต่มันไม่มีปัญญาเข้าปากเราแตนะ่มันมีแต่มันไม่อิ่ม เ, เป็นชีวิตของอนาคตเนี่ยเราสามารถที่จะคาดเดาได้จากสภาวะจิตปัจจุบันนี้เลยนะฮะนั่นเราเลือกเอาว่าเราจะปล่อยใจของเราให้เหมือลอยฟุ้งซ่านหงุดหงิดลำคาญเรืเ่ออยากได้นะในขณะดีวกันเรามีสติอยู่มากกว่าหรือหลงมากกว่าเห็นไหมเราเผลอไปมากกว่าเรื่อมีสติอยู่กับปัจจุบันมากกว่านะครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังบอกว่า อย่าปล่อยให้เหมอนะคนเราบางทีเนี่ยนะว่างๆนะบ้างานอากาศเย็นๆสบายไปนั่งอยู่ริมหน้าต่างนะทรงใจเมอมองคิดนูนคิดนี่นะเขาอกว่าเนี่ยกําลังเพาะพันธุ์สัตว์เนรชาดไว้ลักษณะจิตของสัตว์เนรชาดเนี่ยคืออย่างนี้เลยนะฮะปล่อยใจให้เมอใครมีเลี้ยงหมาเลี้ยงสัตว์เนรชาดมาที่บ้านนะลองสังเกตดูเวลามันก่อนหลับนะหมาที่บ้านผมมีอยู่ เวลามันนอยปุ๊บมั น, นมือมาเกลยกันแล้วก็เท้าคางแล้วก็ไปละตาจะลอยเห็นชัดเลยไม่มีเป้าหมายไม่มีจุดหมายนั่นแหละคือลักษณะของจิตของสัตว์เดรัจฉานนั้นการที่เราจะแก้ไขหรือว่ากําหนดชะตากรรมของเราหรือว่ากําหนดการเกิดของเราเนี่ยนะเราเลือกได้นะฮะขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกไหมทุกคนแน่นอนอยากที่จะมีการเกิดที่ดีอยากจะมีความสุขกับการเกิดใหม่แต่เราทําเหตุดีพอหรือยัง สีนคุณมีเราก็ต้องหันาพิจา ร, า, ารณาตัวเองใช่การพิจารณาตัวเองนั่นแหละคือการมีสตินะพิจารณาทบทวนชีวิตของเราผ่านมาวันเนี้ยกุศลเกิดมากกว่าอากุศลทําดีมากกว่าทําชั่วคิดดีมากกว่าคิดชั่วหรือเปล่าคิดชั่วดีรวมทั้งปล่อยให้จิตใจมันเหมาล อ, อยไปด้วยนะไม่ใช่หมายว่านั่นนะนะเรามีอุบายวิธีการไหนที่จะทําให้ใจของเราเนี่ยเแบบิกบานทองใสยอยู่เสมอไหมนะเราเคยสวดมนต์ไหว้พระไหม เห็นไหมนั้นงานใหม่ที่อาจจะเพิ่มมานะก็คือสวดมนต์ตอนเย็นนะพี่อุ้ยลําไท่เก็กตอนเช้านะตอนเย็นเรามานั่งสวดมนต์กันสักชั่วโมงหนึ่งดีไหมเห็นไหมนะเห็นไหมเนี่ยการที่เรามาสวดมนต์กันเนี่ยมันจะเป็นการทําให้อย่างน้อยชั่วโมงนั้นเนี่ยเป็นกุศลเห็นไหมอากุศลถูกละไปโดยอัตโนมัติเห็นไหมการมาพูดคุยธรรมะการมาพูดคุยกันเรื่องของการทําบุญให้ทานรักษาศีลเห็นไหม สร้างสิ่งแวดล้อมขึ้นมาเพราะนันพวกเราในบู่บ้านเนี่ยถ้าทุกคนช่วยกันมันก็จะพากันไปสวรรค์ใช่ไหมแต่ถ้าเราทําอะไรที่มันชวนกันลงนะลูกมันก็มันก็แย่เนื้อไหมฮะมันก็แย่นะมันก็แย่เพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งตัวเราเริ่มที่ตัวเราก่อนอันที่สองเมื่อเรามีสิ่งที่ดีงามเกิดขึ้นเราเผื่อแผ่แบ่งปันให้กับคนอื่นใช่ไหมช่วยกันจูงกันไปจูงกันไปสวรรค์จูงกันไปนิพพาน นะไม่ต้องไปหานิพพานในอนาคตนะเอานิพพานในปัจจุบันเนี่ยคือความเย็นอกเย็นใจนี่แหละนะความเย็นอกเย็นใจมันจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อว่าใจเราเนี่ยต้องเป็นกุศลใจเราต้องมีสติอยู่กับปัจจุบันให้เป็นเห็นไหมเพราะฉะั้นถ้าเราพลาดโอกาสนี้ไปเสร็จปุ๊บเนี่ยนะเราจะเสียชาติเกิดทันทีเลยเราจะแก่แบบเสียชาติแก่นะัเราจะป่วยแบบเสียชาติป่วยทั้งๆ ท, ที่จริ ง, รงๆแล้วการป่วยเนี่ยเป็นบทเรียนสําคัญของชีวิต การที่ได้ป่วยนั่นแหละดีแล้วทําให้เราไม่ประมาทใช่ไหมบางคนเนี่ยตายไปโดยที่ยังไม่ได้ทําอะไรความดีอะไรเลยพ่อแม่ก็ยังไม่ได้ตอบแทนมื่อคุณเคยจะพาพ่อแม่ไปกินข้าวอา้าวพ่อแม่ตายไปซะและ้วอา้าวหรือเราตายไปซะและ้วเห็นไหมพลาดการที่เราเห็นความสําคัญหรือเห็นความไม่แน่นอนของชีวิตอยู่เสมอว่าเราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เราจะพิการเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เขาจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ทําให้เราขวนขวายที่จะทําความดีต่อกัน อะไรที่เรายังไม่ทําเราจะได้รีบทําพ่อแม่ยังไม่ได้ตอบแทนเราคุณรีบทำซะใช่ไหมคนที่มันเคยพยาบาทกันเคยผิดป้องหมองใจกันเลิกได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นจะมีประโยชน์อะไรเพื่อที่จะฆ่ากันไปจองเวงกันไปเห็นไหมพอเราพิจารณาเรื่องของความไม่แน่นอนของชีวิตการพิจารณาเรื่องของความตายจะทําให้เราเนี่ยมีความเร้าร้อนในใจเราน้อยลงนะอันนี้สงเยอะมากนะะ ไอ้สงองเยอะมากเระั้นขบวนการพวกเนี้ยมันจะเกิดขึ้นจากการที่เรามีสติถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัจจุบันเราก็จะไหลไปไหลไปหูไหลไปตามตามตามสิ่งแวดล้อมตามสังคมใช่ไหมเราก็ตายไปชาติหนึ่งเกิดมาโง่งเหมือนเดิมแล้วแเราก็มาเวียนตายเวียนเกิดกันอยู่อย่างนี้เพราะฉั้นตรงจุดนี้สำคัญการมีปัญญาเนี่ยเป็นสิ่งที่พุทธองค์สรนเสริญที่สุดเขาบอกว่าคนเราเนี่ยจะละทุกข์ได้ด้วยความเพียร เห็นไหมละทุกได้นะเราออกจากทุกได้ด้วยความเพียรนั่นหมายความว่าเราต้องทํามากๆทําบ่อยๆทําซ้ําๆซักๆการมีสติไม่ได้ทําวันสองวันแล้วมันจะจบแต่มันเป็นการทําทั้งชีวิตทําไปเรื่อยๆนะอยู่กับปัจจุบันแต่สรุปที่พู้องศัยก็คือว่าคนเราจะบริสุทธิ์ได้หรือว่าใจจะบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญานะตรงเนี้สําคัญการที่เราจะป่วยอย่างมีความสุขการเราที่จะแก่อย่างมีความสุขและแม้แต่จะตายอย่างมีความสุขและแม้แต่จะเกิดใหม่อย่างมีความสุขอยู่ที่ปัจจุบันนี่ เพราะมันเป็นสิ่งที่มันทำได้จริงๆ